คือหมายคําว่าคําว่าเจดวงเนี่ยชาวนะไหนมันต่ํากว่าเจ็ดวงมีไหมปัจเจเวกมีไหมแล้วชาวนะไหนมันเกินเจ็ดวงมัง่งไม่มีมันจะเกิดกี่รอบมันก็เกิดครั้งละเจ็ดนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอยู่ครึ่งวันก็ถือว่าเจ็ดนั่นแหละไม่เกินเจ็ดหรอกเพราะฉะนั้นก็ชาวนะเจ็ดดวง ก, ก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยนะเชื่อไหมในวรรดาปัจเจวกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยปัจเจเวกทุกกับสมุทยนะัยเนี่ยนะกี่ชั่วโมงรู้ไหม สี่ชั่วโมงปัจเจกนิโรธอย่างเดียวอีกสี่ชั่วโมงปัจเจกมรรคอีกสี่ชั่วโมงกี่วิถีและไม่แค่วังขั้นเนี่ยนิดเดียวอาจจะสองหรือสามขณะเท่านั้นเองที่ผวังขั้นนะแล้วคิดอยู่สี่ชั่วโมงเ อ, อสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะหลังจากตรัสรู้เนี่ยวันที่เจ็ดคิดอยู่สิบสองชั่วโมงถามว่าปัจเจกเท่าไหร่ แต่มีดวงไหนเกินเจ็ดไหมตามกวาห้าก็ไม่มีฉั้นจะว่าเจ็ดก็ไม่ผิดอะไรในบรราปัจเวทขณะยานเนี่ยนะในอริยสัจผู้ที่จะรู้โดยสิ้นเชิงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นเนี่ยนะ ท, ที่จะพิจารณาทุกขสัจโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ฐานะสมุทัยสัจโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ฐานะนิโรสัจมรรสัจก็จะไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งสามารถรอบรู้โดยสิ้นเชิงแค่ว่ารู้โดยเอกเทศก็แต่เท่านั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะ บรรลุมรรคผลเหมือนอย่างบุคคลทั่วไปเนี่ยนะบุคคลทั่วไปเนี่ยที่ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องสามารถผลิตยาอะไรได้นะถ้าเป็นอุปมาเกี่ยวกับเรื่องยาก็พอจะหายป่วยหายไขยก้ก็พอแล้วเนี่ยนะแต่ที่นี่ว่าคำว่าท่านปัจเวกครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่พิจารณาในตอนแรกๆะนะ แต่ว่าตอนหลังๆมาท่านได้สุตตะเป็นต้นจากพระพุทธเจ้าท่านก็มีการพิจารณาอีกเนี่ยนะช่วงแรกอาจจะไม่ได้พิจารณาแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมเพราะว่าโสดาปฏิมร์กับโซดาปฏิผลต่างกันตรงไหนต่างกันตรงคนลชาติแต่ถ้าถามว่าตอนหลังเนี่ยเป็นพระโสดาบันเข้าพระรสมาบัติแล้วมาปัจจเวกขณะยานได้ไหมได้ถ้านนเนี่ยวันที่ที่ท่านอยู่ที่แคว้นกูรู้นะ ท่านนนเนี่ยไปหลีกเร่นหลังจากที่ทําพุทธอุปถากเสร็จท่านก็ไปหลีกเรนแล้วก็เข้าพระสมมาบัติเมื่อท่านเข้าพระสมมาบัติท่านออกจากพระสมมาบัติแล้วท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั่นการพิจารณาของท่านส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นฐานมาจากอะไรก็เกี่ยวกับปัจจเวทขณะยานะที่มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เพราะว่าปฏิจจสมุปบาทก็แบ่งออกเป็นสองวาระใช่ไหมความรู้ในทุกขักบสมุทัยเรียกว่าสมุทยะวาระความรู้ในนิโรธกับมรรคเป็นนิโรธวาระก็ไม่ไม่พ้นอ่ะนะนี่ถ้าในหน้าเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะกล่าวถึงโดยลำดับว่าก็พระโสดาบันบุคคล น, นั้นนะ่ะพิจารณามรรคว่าเรามาแล้วด้วยมรรคนี้เนอตออแต่นั้นก็พิจารณาผลว่าอานิสงส์นี่เราได้แล้ว ตอนนั้นก็พิจรารณากิเลสที่ละแล้วว่าเช่นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยเราละได้แล้วต่อแต่นั้นก็พิจารณากิเลสที่มักเบื้องบนจะพึงประหารว่ากิเลสเหล่านี้ของเรายังเหลืออยู่ถามว่ารู้ได้ยังไงว่ายังมีกิเลสเหลืออยู่ดูได้จากอะไรดูได้จากที่เป็นที่เกิดของกิเลสเห็นไนะที่เป็นที่เกิดของกิเลสอย่างที่เคยกล่าวให้ฟังว่าในบินดาปาตปริสุทธิสูตรเนี่ยนะว่าพระอริยบุคคลเนี่ย หรือพระภิกษุทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะเวลาท่านกลับมาถึงที่พักเนี่ยท่านจะทบทวนเลยว่าอารมณ์6ประการเนี่ยท่านยังคล่องอยู่ในอะไรบ้างในอารมณ์6ประการนะรูปเสียงกลิ่นรสโภชนาเนี่ยอะไรมั่งที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดของท่านรูปเสียงกลิ่นรสอะไรบ้างเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองรูปอะไรเป็นต้นบั่งเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเนี่ยนะแล้วก็ยังพิจารณาว่านิวรณห้ประการมีตัวไหนยัง ยังไม่ได้ละบ้างขันห้ามีอะไรยังไม่ได้ทําปริญญาบัาง้งสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทอินรียพร ะ, ระโพธชงองค์มักเนี่ยมีข้อไหนบ้างที่ยังไม่เจริญสมถาวิปสัสนามีอะไรบ้างยังไม่เจริญวิชากับวิมุติไหนบ้างที่ยังไม่ทําให้แจ้งท่านจะมีการชําระตรวจสอบตัวเองอยู่ถ้ายิ่งเป็นเป็ น, ปนพระรุ่นภาษาดีบุตรเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นจะมีการตรวจสอบตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากมณสิการกับทุกอารมณ์ อย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมมาเป็นอย่างดีแนละ้วเห็นแก่อารมณ์เห็นเห็นสีอย่างเดียวเนี่ยรู้ได้เลยใช่ไหมว่าจิตควรจะเกิดกี่ดวงถ้าเรียนมาอย่างละเอียดหน่อยนะโดยอารมณ์าปัจจัยเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมองออกแล้วถ้าถ้าศึกษาธรรมะมาโดยละเอียดเนี่ยนะ <S <S เขาปัจเวกเนี่ยนะโดยมากเนี่ยมันจะได้รับคืออารมณนาทิปติใช่ไหมมีความสุขมากเลยนะนี่มั่งนี่ผลถ้าปุถุชนทั่วๆไปนะเข้าปัจเวกศีล ระลึกถึงศีนของเราไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะปัจเจกมรรคเนี่ยพอได้ออถ้ากุศลศีนเกิดเท่านี้แนละอกุศลก็แสดงว่าละไปเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยนะก็มีการพิจารณาอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับเรียกว่าปัจเจกอะไรเขาเรียกถ้าเป็นที่อื่นๆเขาเรียกว่าตรวจสอบสมบัติของตนและวิบัติของตนตามการนะก็ตรวจสอบว่าเรานี่มีคุณธรรมอะไรบ้างดีตรงไหนแล้วก็ ตรวจสอบความดีนะมีความดีอยู่ส่วนไหนบ้างแล้วก็มีความเสียหายอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก็มีอีกข้อหนึ่งเขาเรียกว่าอัตถันยูหรืออัตตันยูเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักตนเนี่ยเขารู้ว่าเราเนี่ยมีศรัทธาเท่าไหร่มีฮิริโอตปะเท่าไหร่มีสุตะอยู่เท่าไหร่มีจาระเท่าไหร่มีปฏิพานเท่าไหร่อันนี้ก็เรียกว่าเจ้าต้องรู้จักตัวเองเหมือนกันว่าของเรานี่มันขนาดไหน กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยจเจริญได้ขนาดไหนหรือว่าจเจริญได้มากหรือจเจริญได้น้อยไอการตรวจสอบเกี่ยวกับกุศลจิตของตนเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราตรวจสอบตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เราเกี่ยวข้องแล้วเราจเจริญขึ้นหรือสามเติมสามลงจเจริญขึ้นหรือตกตก่ำเพราะการที่เราสํารวจตรวจตราตัวเองบ่อยๆเราเราจึงสามารถรู้ว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับบุคคล น, นี้กุศละจะเจริญ เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้กุศลไม่เจริญเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กุศลไม่เจริญควรเว้นเกี่ยวข้องกับคนที่กุศลเจริญควรควรครบในวันนักปัสสูตรเนี่ยนะสูตรที่กล่าวว่าด้วยเหตุของการอยู่ป่าซึ่งพระองค์ก็ตรัสแทนว่าไปอยู่ป่าไหนกุศลเจริญไหมอากุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นอาคุศลที่เกิดแล้วก็ถูกละออกไปลายควรอยู่นะป่านั้น ปัจจัยสี่ก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะก็ไล่อย่างนี้มาเรื่อยจนถึงหมู่บ้านชนบทตำบลมาจนถึงสถานที่อยู่แม้กระทั่งปัจจัยถ้าสูตรอื่นๆด้วยก็กล่าวถึงแม้กระทั่งปัจจัยสี่ที่ใช้สอยนะปัจจัยสี่ที่ใช้สอยอารมณ์6ที่ซ่องเสพอยู่ก็เอามาตรวจสอบทั้งหมดเลยว่าอันไหนทําให้กุศลเจริญอันไหนทําให้กุศลเสื่อมเป็นต้นเนี่ยก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ถ้าตรวจสอบไม่ได้ขนาดนั้นนะรักษากุศลไม่ได้หรอก เพราะว่าสามารถตรวจสอบว่าอะไรเป็นอุปนิสัยของกุศลอะไรเป็นอารมมณะปัจจัยของกุศลเนี่ยนะซึ่งคนเหล่าเนี้ยจะต้องฉลาดเป็นอย่างมากเนี่ยนี้มาดูหน้าแปดสิบต่อไปืยังไม่ได้อุปมาเลยนะมาดูหน้าเจ็สิบเก้าก่อนคือสรุปว่าปัจเวกคณาญานของพระอริยะเนี่ยของพระโสดาบันมีห้าพระสกท า, าคามีมีห้าพระอนาคามีมีห้าอันนี้พูดแบบเต็มพิกัดนะนะ แต่ถามว่าจะต้องเต็มอย่างนี้ทุกองไหมไม่ใช่นะนะในอัตถกาถาจูละทุกขขันธสูตรกล่าวว่าบางองค์ก็มีการปัจเจกอย่างเดียวบางองค์ก็สองอย่างบางองค์ก็สามอย่างคำว่าปัจเจกในที่นี้ก็คือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ น, น, นะนะส่วนผ้าหันไม่มีการปัจเจกกิเลสที่ยังเหลือเพราะว่าพี่ารณายังไงก็ไม่มีอารมณ์ของกิเลสสาหรับท่านอีกเลย กันรวมทั้งหมดปัจเจกขนาญานมีสิบเก้าถามว่าการพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่ยังมีแก่พระเสขาทั้งหลายหรือไม่ตอบว่าเพราะความที่การพิจารณาการละกิเลสนั้นไม่มีคือปัจเจกเนี่ยไม่ได้มีกิเลสที่ยังเหลือนะเท้าวมาหานามะสักยาราชจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธรรมะชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลกธรรมยังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวดังนี้เป็นต้นเห็นไหนในที่นี้เพื่อจะให้ยานสิบเอ็ดมีธรรมะทิฏฐิยานแจ่มแจ้งเพื่งทราบอุ ป, ปมาดังต่อไปนี้เปรียบเหมือนบุรุษคิดว่าเราจะจับปลาจึงถือเอาสุ่มไปสุ่มลงในน้ำที่คิดว่าควรจะมีปลาแล้วจึงหย่อนมือลงไปทางปากสมเคยเห็นสมไหมรู้จักนะ นะเี่ที่เขาขังไต่ก็ได้นะแบบนั้นนะแล้วก็คว้าเอาคองูเห่าที่อยู่ภายในน้ําด้วยสําคัญว่าเป็นปลาเอาไว้นั่นดีใจคิดว่าเราได้ปลาใหญ่แล้วก็ยกขึ้นจึงเห็นแล้วก็รู้ว่างูเพราะเห็นดอกจันสามแฉกาะคือถ้าหัวงูกับหัวปลานะถ้าไม่ดีนะมันจะมีมันจะดูเหมือนเหมือนกันนะตอนจับอยู่ในน้ําเอ๊ะมันเหมือนกันเนี่ยโผล่ขึ้นมาเอาเห็นดอกจันสามแฉกก็เกิดกลัวเห็นโทษ เบื่อหน่ายในการจับไข้ที่จะพ้นจึงทำอุบายเพื่อจะหลุดพ้นจึงจับงูให้คลายมือตั้งแต่ปลายหางแล้วก็ชูแขนขึ้นแกว่งบนศีรษะสองหรือสามรอบทำงูให้ทุรพลแล้วเหวี่ยงไปพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยไปเจ้างูร้ายแล้วก็กระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนบกโดยเร็วทีเดียวเกิดร่าเริงใจว่าท่านผู้จเจริญเราพ้นจากปากงูใหญ่แล้วแลดูทางที่ตนมา ในข้ออุปมาการเปรียบเทียบนั้นมีดังต่อไปนี้การยึดมั่นซึ่งขันห้าอนากลัวด้วยสามารถแห่งลักษณะมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วยินดีด้วยสาคัญว่าเป็นของเที่ยงด้วยตันหาอันสัมปะยุทธ์ด้วยทิฏฐิว่าเราว่าของเราของภาลปุุชน ต, ตั้งตั้งต้นแต่พระโยคีบุคคล น, นี้ดดการจับงูเห่าไว้มั่นด้วยสาคัญว่าเป็นปลาของบุรุษนั้นชนี ก็จริงๆนะตอนที่เราได้ร่างกายได้ขันท่าตอนแรกๆโดยทั่วไปก็ดีใจใช่ไหมดีใจนะเรานี่ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนไยวัยภูมิใจเลยมากเลยนะตอนสมัยเด็กๆกันนะแต่ถ้ามันไม่ค่อยป่วยนะตอนไหนสุขภาพดีๆหน่อยนะก็ดีใจโอ้ดีเหลือเกินได้ขันทามาเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยนะพออยู่ไปนานๆเข้าออก็บอกว่าหลังจากเจริญนิัพสนาทําลายคณะสัญญาด้วยการกําหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัย แล้วเห็นพระไตรลักษ์มียนิจตาเป็นต้นของขันห้าด้วยยานมีการพิจารณาโดยความเป็นกราบแล้วกําหนดขันห้านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาดุ ด, ดังการนำงูออกจากปากสุ่มแล้วเห็นดอกจันสามแฉกจึงรู้ว่างูของบุรุษนั้นชนีดจึงรู้ว่างูอ่ะเนะี่ยโอ้กับงูนี่เหมือนกนคือคำว่าเห็นอนิจจาก็คือไม่เที่ยงใช่ไหม ทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาคือความเป็นอนัตตาคําว่าพิจารณาโดยความเป็นกราบกลาบก็คือกลุ่มอย่างรูปเนี่แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มเป็นสิบเอ็ดนะรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาก็แบ่งเป็น 11, สิบเอ็ดกลุ่มอีกเหมือนกันอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกล พิจรารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันคําว่ากลุ่มในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงกาลาปะอะไรในอวินิโพคารูแปดอะไรละเอะียนั่นไม่ใช่แต่หมายถงึงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นเองก็ทั้งสิบเอ็ดกองนั้นแหละคูณอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้ตรายรักเยอะแล้วนะนะก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเท่าไหร่กี่กี่ครั้งสิบอ้าห้าคันห้าคูณสิบเอ็ดเท่ากับ ห้าสิบห้าห้าสิบห้านั้นคูณตรายลักษณ์อกสามก็ไปพิจารณาตามนั้นนะนะถ้าพิจารณาได้ละเอียดขนาดนั้นจึงรู้เออจับ ง, จงูจริงๆรู้แล้วว่าจับงูมีสามแฉกนี่แหละพิจารณายังไงขันห้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาพยาตูปธานายานของพโยคีบุคคล น, นี้เหมือนกับความกลัวของบุรุษนั้นฉะนั้นพอเห็นสามแฉกก็เลยกลัวละ อาทีนวานุปัสนาดุ ด, ดังการเห็นโทษในตัวงูฉะนั้นงูนี่เป็นโทษใช่ไหมถ้ามันกัดเราก็แย่นิพิทานุปัสนาญาณดุดการระอานในการจับงูฉะนั้นเอนนนเอื่อมเต็มทีแล้วนะมุนจิตุกรรมมัตายานดุ ด, ดังการไข่ที่จะสลัดงูไปเสียให้พ้นฉะนั้นปฏิสังขานุปัสนาญาณดุ ด, ดังการทำอุบายเพื่อสลัดงูไปเสียให้พ้นฉะนั้น งูที่นี่นะเราฟังในคมภี์อย่างนี้โอ้ดูมันน่ากลัวจริงๆเลยเนะยพอเอาเข้าจริงๆอ่ะนะกลัวไหมอาหารอะไรอะไรที่สั่งมานะกลัวเลยทันทีไหมยางอ่ะนะนะจึงรู้ว่าโอ้ตอนเรียนคำพีนี่ใช่ใช่แล้วใช่แล้วพอตอนเอาเข้าจริงๆก็เอาไว้ก่อนนะเนีเอาผ้ามาห่มปับ๊บโอ้ยต้องหมง่มหนังงูอีกแล้วน่นะนะถ้าได้ขนาดนั้นก็แกลวมากแล้ว ส่วนปฏิสังขานุปัสนาญาณดุดดังการทำอุบายเพื่อจะสลัดงูไปเสียให้พ้นฉะนั้นการพิจาจรณาอย่างรอบคอบซึ่งสังขารทั้งหลายอันอด้วยสังขารูปเปกขาญาณโดยการยกขึ้นสู่พระไตรัลักษ์แล้วกระทำให้ทุรพลจนไม่สามารถจะปรากฏโดยอาการว่าเที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาได้อีกคือข่มจนไม่ใส่ใจสังขารใดก็ตามเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาชนานาญเลยอะนะ ต้องให้มันชำนาญขนาดนั้นน่ะดุ ด, ดังการจับงูขึ้นแล้วหมุนไปรอบในเบื้องบนแห่งศีรษะจะทําให้ทุรพลจนไม่สามารถจะหัวกลับมากัดได้อีกอก็อะไรที่เรียกว่าถาวลวัตถุเนี่ยเราจะฟังกลับค้านในใจแล้วใช่ไหมสร้างอะไรบ้างได้เป็นทาวลวัตถุมีไหมทขาวลวัตถุมีหรือไม่มีไม่มีนะแต่ว่ามันถ้าเทียบกับชั่วคราวเนี่ยแหละเขาเลยเรียกว่า ถาวรวัตถุอาจจะอยู่ได้สิบยสิบปีนะัเลยเรียกว่าถาวรจริงๆไม่มีอะไรถาวรหรอกถาวร น, นี่แปลว่ามั่นคงไม่มีอะไรมั่นคงอย่างแท้จริงอะไรแต่แต่ผู้ที่พิจารณาบ่อยๆจนมณสิการอารมณ์ใดก็อนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนั้นแหละที่ที่สำคัญมากจะต้องให้ชำนานขนาดนั้นโคตรภูยานดุดดังการสลัดงูทิ้งไปเชนั้นมัคคยานผลยานก้าวขึ้น เหมือนกับการขึ้นยืนอยู่บนบกคือพระนิพานมรรคผลเหมือนกับการก้าว ข, นะขึ้นยืนนะก้าวขึ้นยืนส่วนบกอ่ะเป็นเชื่อของพระนิพานดุจการที่บุรุษนั้นสลัดงูทิง้งแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนบกฉะนั้ น, นนะพระนิพานนี่ท่านเปรียบเหมือนเหมือนบกนะผู้ที่ขึ้นบกเขาเรียกว่าเป็นพราม์คือพระอรหรันต์ ปัจเวคขณะยานในธรรมะมีมักเป็นต้นดุ ด, ดังการเลดูทางที่มาแล้วของบุคคลผู้ร่าเริงฉะนั้นถ้าใครบ้านอยู่เป็นชาวประมงเลยนะฟังคำอุปมานี้ก็จะทราบซึ้งดีนะในบรรดาปัจเวคขณะยานทั้งหลายพึงทราบว่ากิเลส ป, ปัจเวคขณะการพิจารณากิเลสเป็นครั้งแรกต่อแต่นั้นจึงเป็นการพิจารณามรรคผลและนิพพาน เพราะลำดับแห่งเทศนาอันพระโยคีบุคคลกระทําแล้วตามลำดับแห่งการเกิดขึ้นแห่งยามสิบสี่เหล่านี้มีสุตมยะยานเป็นต้นและตามลำดับแห่งการปฏิบัติในในที่กล่าวผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นกล่าวทั้งลำดับเทศนาลำดับเทศนาเนี่ยขึ้นตั้งแต่ไหนปัจญยาปฤกษายานสัมมาสนาญาณ อุทยพยัานทางคยา น, ยานหรือที่เรียกวิวปาาัสนาญาณอาทินวายานสังขารุปเปกขาญาณโคตพูญาณมักคยานตาุรยา น, ยา น, ยานวิมุตติญาณปัจเวกขณะญาณาอันนี้เรียกว่าลำดับเทสนาแล้วก็ลำดับการเกิดขึ้นแห่งญาณก็ต้องเป็นไปตามนีนนะ้ก็ต้องเป็นไปตามนี้แต่ว่าที่อื่นๆถ้าเป็นในพระพุทธพจน์นะจะไม่แสดงกว้างขวางพิสดารแบบนี้ท่านแสดงแบบย่อๆเช่น เมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงอันนี้อมถึงไหนแล้วอุทยพยายาณ น, นะนะข้ามรู้เห็นตามเป็นจริงนะี่ยถึงอุทยพยายาณแล้วเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่หน่าย น, นะก็กินวิปัสนามหมดแล้วเมื่อเบืรอหน่ายคลายกําหนัดอริยมรรคนะเรียกว่าก้าวสามขั้นเนี่ยข้ามได้แล้วเหมือนอย่างว่าพระพุทธเจ้านะสมัยที่พระองค์ขึ้นดาวบดึงกันไหมก้าวหนึ่งขานี่เหยียบยอดเขาน้นนะั่นก้าวที่สองก้าวที่สามประทับนั่งดาวบดึงเบ็ดเสร็จแล้ว นั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ก้าววัยขนาดนั้นการการที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะครับอย่างผู้ที่เกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญเก่ามากสังสมอัธยาสายมามากเมื่อมามากเนี่ยเขาฟังเฉพาะหัวข้อใหญ่ๆก็ก็รู้ช่องทางที่จะเจริญที่จะปฏิบัติสามารถบรรลุมรรคผลได้ส่วนลําดับแห่งการปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนี้แหละ ถ้าจะปฏิบัติถ้าจะเจริญก็จเจริญไปตามวิปัสสนาทั้งหมดดังกล่าวแล้วความที่แห่งกิเลสปัจเวคขณะการพิจารณากิเลสตามสมควรแก่การปฏิบัตินั่นแลเป็นเบื้องต้นย่อมสมควรท่านบอกว่าตรงนี้ให้เห็นว่าควรจะปัจเวกกิเลสเพราะว่ากิเลสนี่มันเป็นตัวร้ายที่สุดใช่ตัวร้ายที่สุดที่จะทาให้เกิดหรือจะทาให้เป็นไปในวัตฏะ เพราะท่านกล่าวการปฏิบัติมักไว้เพราะทําการประหารกิเลสนั่นแหละให้เป็นข้อสําคัญว่าพระโยคีบุคคลเจริญโลกุตระชาอันเป็นนิยานิกะทานำออกจากทุกเป็นอปจยาคามีเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานก็เพื่อประหารมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรเทาการมมราคะและพยาบาทให้เบาบางลงเพื่อละการมราคะและพยาบาทไม่ให้มีส่วนเหลือ เพื่อละรูปปราคารูปปราคะมานะอุทาจาระและอวิชชาไม่ให้มีส่วนเหลืออันนี้กล่าวถึงลำดับแห่งมัชนะลำดับแห่งมัชใช่ไหมว่าถ้าโสดาปฏิมัชละ่ะพระโยคีบุคคลเจริญฌานอันเป็นนิยานนิกรรมนํานออกจากทุกเป็นอปัจจะคามีเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานก็เพื่อประหารมิจฉาทิฐิอันนี้เป็นอะไรมัชโสดาปฏิมัชเพื่อบรรเทาการมราคะและพยาบาทให้บรรเทาลงอันนี้เป็น สาทาคามิมักเพื่อละการมราค้าและพยาบาทไม่ให้มีส่วนเหลือเป็นอนาคามิมักเพื่อละรู ป, ปราคา้ารู ป, ปราคามานั่งอุทธจารและอวิชชาไม่ให้มีส่วนเหลืออันนี้เป็นอรหัตตมักอันนี้เรียกว่าลำดับมักจะต้องเป็นไปตามนี้ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยถามว่าในบรรดาการพิจารณามักผลนิพพานเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรก่อนอ่าขออภยัย พิจารณากิเลสพิจารณามัชพิจารณาผลพิจารณานิพพานเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรก่อนควรจะพิจารณากิเลสก่อนถามว่าทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราก็มาดูว่าตั ว, ต, วตัวมัชที่เราจเจริญเนี่ยคือวิปัสสนาใช่ไหมไล่มาตั้งแต่ศีล ส, สมาธิอะไรอีก น, นะกำหนดปัจจยยัยปัจจยปริคหายานไล่มาเรื่อยๆสัมมาสนาาน อุทยพ ย, ายาัญญาณพังคยานหรือวิปัสนาญาณเน่ยนะต่อด้วยอาทีนวญาณสังขารุเปกขายานโคตรภูญาณมัคค า, ายานโกรายานวิมุตติญาณแล้วก็ตัจเวก ค, ควรจะวิมุตติญาณก่อนวิมุตติญาณพิจารณากิเลสที่ละแล้วใช่ไหมดูได้จากว่าพิจารณากิเลสที่ละแล้วเป็นเกณฑ์ ดูได้จากคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาสัญญาญอุทยพยาญญาพิปัสนาญาณอาภีนวายานสังขารุเปขาญาณโคตะภูญาณดูได้อย่างนี้ว่าถ้าศีลเกิดเนี่ยละอะไรสมุทัยคือผู้ศีลถ้าสมาธิเกิดละอะไรกุทธจักถ้ากําหนดปัจจัยละอะไรละความสงสัยในการสามสงสัยในการสามไอตัวนี้คือ วิจิกิจฉ า, านะถ้าสัมมาสนญาณละอะไรละความเป็นสําคัญเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าเป็นเราเป็นของเราอุททยพยายาเนี่ยละอะไรอุทเฉ ท, ทิฏฐิศัสถะทิฏฐินะนะตรงเนี้ยละทิฏฐิแล้วนะก็ปัจเจกตัวทิฏฐิที่ละไปตัวสนายานมาเรื่อยๆเนี่ยนะพี่ปัจสนาญาณอาธิญาณ สังขารู้เปยขายานละรู้ว่าละอะไรละวิปปาราดเห็นไละวิปปาราดเรั้นตัววิปปาราดก็คือจิตตาวิปปารสัญญาวิปปาราดและทิฏฐิวิปปาราดเพราะฉะนั้นในบรรดาเบื้อง ต, ต, ต้นนั้นจึงเป็นการพิจารณากิเลส เ, เป็นเป็นหลักแล้วใช่ไหมตอนหลังเนี่ยมัจผลโคตรภูรนี่มีอะไรเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์ตัวนี้ก็เป็นมัจเป็นผล นั้นตัววิมุตติญาเนี่ยจึงไปพิจารณาตัวกิเลสที่ได้ละไปแล้วเพราะตัวที่ละกิเลสจริงๆนะตัวที่ทำกิจเหมือนกับว่าฟาดฟันกิเลสจริงๆนั่นเป็นวิปัสสนาแต่ตัวที่ละกิเลสนะ เ, เ, เ, เ, เด็ดขาดจริงๆอยู่ที่มร